เข้าภันาได้สี่สินแล้วสี่สินแล้วถามว่าเข้ากันาได้สี่สินแล้วถ้าว่าได้สี่สินรู้เสียไปสี่สินพราว่าได้กับเสียมันของคู้กัน เมื่อถาว่าเราเราตอบเขาว่าได้สีสินนะั่งมันได้จริงหรือเปล่าได้ครบไหมสีสินะมันได้สีสิก็คือได้สินจริงๆนะถ้าได้สินแล้วทําไมทำมาขออีกนะอแอสดง ม, มันไม่พอเลยไง หรือว่ามันหายไปอันนี้คือคำถามพื้นฐานคำถามก็คือถ้าเร า, าไงคือปัญหานั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาแปลว่าเมื่อันเป็นปัญหามันเป็นคำถามมันมีโจทย์เราจะต้องมีคำตอบไม่งั้นจะกลายเป็นปัญหา สะสมหมักหมมไว้นานๆมันกายเป็นปัญหาชีวิตอะไทีนี้มีปัญหาระยะสั้นกลายเป็นปัญหาระย ะ, า ย, าะยาวสุดท้ายมีปัญหาทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่มีปัญหาก็ ค, คือมันไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่มีโจทย์ไม่มีปัญหาไม่มีคำถาม แต่ว่าใครจะตอบโจทย์ตอบปัญหาตอบคาถามนั้ น, น, นได้ได้มากได้น้อยก็เรื่องเป็นปัจเจ ก, กบกคุคคลเพราะนั้นอันนี้คือพื้นฐานแ <c oughs> นวความคิดที่อยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราทุกคนถ้าใครยังหาคำตอบไม่ได้ ก็คจะหาคําตอบมาว่าจะตอบเองหรือทำลายเป็นคนตอบตําราเป็นคนตอบก็คือค้นหาคนทางจากตําราตําราคําตอบตํารานของเรามาตรฐานคือพระไตรปิฎกผมถามว่าจะมีใครที่อ่านประไตรปิฎกได้มั้งมีใครอ่านจบสักอย่างเช่นพระสูตร คยอ่านจบสักสิบสูตรไหมไม่มีพเพื่อใจไปจบสามเพื่อใจไปจบคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยประกอบด้วยอะไรก็ยังไม่รู้เลยอสุดท้ายก็ต้องมาคำตอบอย่างนี้แหละเพราะนั้นชีวิตจึงถ้าพูดง่ายคือชีวิตดคือปัญหาแต่เราไม่อยากเรียกคํานี้ไม่อยากใช้คํานี้ ก็กลัวกลัวคำเนี่ยไม่อย่างใช้ก็กลัว <c oughs> กลัวคาว่าปัญหาที่จริงมันเรื่องดีถ้ามีคำตอบนะถ้ามีแต่ปัญหาจะมีคำตอบอ่้วนั่นเป็นสิน่ากลัวน <c oughs> ปัญหาทุก อ, อย่างมันต้องมีต้องมีคำตอบต้องมีคำอธิบายให้กับพวกเรา คำตอบง่ายๆถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเนืนึกถึงการปฏิบัติในชีวิตปรจำบันของเราพวกเรานี่แหละเริ่มต้นคำว่าเริ่มต้นก็คือก็ให้พวกเรานึกเสมอว่าคือมาริ่มด้านในทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นอะไรไม่ได้สักอย่างในชีวิต จะเริ่มต้นตอนไหนเริ่มต้นตั้งหกสิบเจ็ดสิบเช่นการข้าวัดฟังธรรมจำเส้นภาวนาคำถามาเราจะเริ่มต้นเมื่อไหรคคออนั่นคือคําถามเรามีคําตอบหรือยังมันไม่มีอะไรที่มันคู่กันอย่างนี้เพราะเราก็ไม่เคยใช้ชีวิตหรือแนวคิดอยู่กรอบความคิดอย่างนี้ในยุทธจําวันสุดท้ายเราเคิดไปรอคําตอบจากคนนั้นจากคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้น กระทัมงรรมชาติรรมชาติเราเขาเขาบอกเราอยู่แล้วว่านะการเริ่มต้นของชีวิตถ้าเรานึกไม่ออกที่เปรียบเทียบอุบัติภัยอะไรไม่ได้คราเนึกถึงระหว่างความมืดกับความสว่างนะเริ่มต้นของความมืดมันเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นของความสว่างเริ่มต้นยังไง เริ่มเริ่มจะสว่างแบบโลกโลกก็คือธรรมชาติแล้วเริ่มจาธรรมชาติเช้ามาเราไปเริ่มยังไม่เห็นแสงพระอาทิตย์ยังไม่เห็นองค์พระอาทิตย์เราก็เห็นแต่แสงลาไรโปลขึ้นมาการโผล่ของพระอาทิตย์แต่ละทิศแต่ละทางแต่ละบ้านเมืองแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันมั่นก็แปลว่าสิ่งที่เราเห็นนั้น แมแต่เวลายังไม่ตรงกันที่เราเห็นยังไม่ตรงกันอย่าบ้านเราเราก็เห็นว่าหกโมงบ้านเมืองอื่นก็ไม่เห็นอย่างเราแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยเดียวกันเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันการเริ่มต้นก็คือมันจะสาดแสงส่องออกมาแสง อ, อ, อ, อ่อนๆเริ่ต้นจะแรงขึ้นสว่างขึ้นจ้าขึ้นจากอบอุ่น มัเจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนกลายเป็นความร้อนแล้วมันก็บอกเราแสดงให้เห็นให้เราอันนี้นการเริ่มต้นถ้วมาันการเริ่มต้นให้เราเห็นทุกวันมันสอนเราว่าชีวิตมนุษย์จะเริ่มต้นได้ทุกวันถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มันไค่เป็นเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะมีตามขั้นตอนของเขาตามลำดำับะอาทิ์กันอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้น ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้เกิด ข, ขึ้นแล้วก็ดาเนินไปเรื่อยมีเบื้องต้นทากลางแล้วก็สุดท้ายปลายทางเนี่ยการเกิดขึ้นต้องหยุดแล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเราเห็นทุกวันดับแล้วมันไม่ดับดับแล้วดับเลยวัดทิดลงแล้วคือดับรอเวลาอีกสักพักถึงเวลามันก็กลับมาใหม่ เขาจันทร์ก็ทําหน้าที่ต่อแต่เนี่ยต้องารงความมืดเขาพยายามที่จะเข้าจัดความมืดแสียงจังนทร์ในเป็นเสียงที่อ่อนไม่ร้อนในขณะที่แสียงจันทร์เราไม่เห็นละเพระเป็นเวลานอนเป็นเวลาพักเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนจะเป็นเวลาที่เราจะต้องพักไปดวงเพราะอยู่ไปก็ไม่เห็นอะไรถ้าให้มีแสงธรรมชาติถ้าให้เปิดไฟธรร ม, ามาชาติของเขาก็จะมืด นั่นก็แปลว่าเจตใจของเราก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือมันมืดสว่างมืดสว่างอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นความมืดไม่เห็นความสว่างในใจของเราความสว่างคืออะไรความพืดคืออะไรความสว่างก็คือกุศลกุศลคืออะไรฉลาด ถ้ามนุษย์มันฉลาดมันมันรู้เทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างเห็นมันมีมาตรู้เท่าจอมการฆ่าเหมือความมืดมันไม่ฉลาดไม่อจิตไม่ฉลาดมันก็มืดมันบอดมองไม่เห็นอะไรเลยจิตมันเป็นลักษณะอยู่อย่านี้ถ้าใครปฏิบัติก็ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุดท้ายมันก็หมดไปกวามมดความสว่างความมืดสว่างทีนี้ความมืดสว่างมันก็ต้องเกิดที่จิต ไม่จะเกิดข้างนอกพนอะเกิดข้างนอกเราเห็นเรายังไม่เข้าใจในสภาวะนึกความจริงเขาเรียกว่าสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าเราลงอางจะนึกอะไรไม่ออกเราก็นึกเหมือนชีวิตเมื่อกี้เกินทวมาให้เรานึกถึงศาสนาพิธีหรือว่าพิธีกรรมที่เราทำาย่างนเนี๋ยวเริ่มต้นไหว้พระสมท า, านศีล อย่างนี้ดรงหมันไม่มีอะไรทำไมโอปนาอิโคคือถ้าพิจารณาให้มันเกิดปัญญาก็เหมือนก็เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกครั้งอันนี้จะได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรามีความเข้ารบเพื่อขาราวะมีความคารวะพ่าถึงคาราวะปีนี้เราไปคารวะสามสาย รวมปัมมจจัยแล้วปีนี้น่าจะสองแ0นกว่าบาทตั้งสามสายอันนี้เราเรียกไปคารวะแต่คารวะจริงๆคืออะไรเราควรจะเป็นเราควรจะคารวะอะไรในงานก็ปีหนึ่งไปคารวะครัง้งหนึ่งสองสามวันก็ถือว่าคารวะแล้วแต่คารวะจริงๆันต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน คาระวะข้อแรกก็คือคาระวะคือเคารพศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามตคระารนหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าก็คือพุทธังสถานกชานีคือพุทธานุสติที่เราแย่พุทธาพิจุติสิรธรรมเช้าธรมัดเย็นกันนี่แหละคาระวะข้อแรกคือพุทธเจ้าคาระวะคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคาหนึ่งศึกษา เพื่อนำมาปฏิบัติให้เข้าใจพูดง่ายๆ็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้จนนำไปสูก่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เรียกว่าคาราวะนั่นก็คือพระพุทธเจ้าเรานึกภาพออกพระพุทธค า, ารวะพระพุทธเจ้าในคารวะอะไรคาราวะพุทธรูปคาราวะคำสอนคาราวะประวัติ คาคารวะพุทธเจ้าคารวะพระธรรมคืออะไรพระมงพระแต่ปิดกมงบทีคำสอนสังฆคารวะตาเคารพระสงค์เคารับยังไงแค่ยกมือว่าสวัสดีนัวัชก า, ารก็จบงั้นห่อก็คือต่อไปคารวะในการศึกษา คำว่าศึกษาท่านมุ่งไปที่สิ่งสมธิปัญญาสามเรื่องแค่ น, นี้คำว่าศึกษาในชีวิตเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยถ้าพูดถึงคําว่าศึกษาก็ต้องหมายถึงใจศึกษาคือศึกษาสาเรื่องแค่ น, นี้จบถ้าเป็นศึกษาเรื่องอื่นไม่จบอืมจบก็แค่จบปุริยเอกคือได้ไปประกาศเฉยแต่ความเป็นจริงในชีวิตเรามันไม่เคยจบ พลันชีวิตการศึกษาได้ตลอดก็คือเนี่ยคือใจศึากษาศึกษาคารวะตาศึกษาศึกษานีวก็ไม่ประมาทตอนนี้เราประมาทไหมก็ประมาทคืออะไรก็คือมัก็มีสติแต่ใครอยู่กับปัญญายักติก็นั่นคือประมาทอันนี้แค่ตัวอย่างครับว่าชีวิตปัจําบันเราคนที่ลงชีวิอยู่อย่างไรเรืองคาวะ องค์ประกอบของคาระวะมันเยอะองค์ประของชีวิตมันเยอะทีนี้เราเริ่มต้นอย่างไรคือบอกว่าเริ่มต้นที่ลมหายใจเนี่ยแต่ไมเริ่มต้นที่อย่างอื่นลมหายใจเราเอาพวกนี้เอามาขู่มั้งมาขูเราว่าะถ้าเราไม่มีลมถ้าดูคนอะลมในในหมายถึงถ้าเราไม่หายใจ จริงๆลมเขาก็มีของเขาเอยู่แล้วล่ะลมมันไม่เคยขาดล ม, มก็คือหนึ่งในธาตุที่อยู่ในตัวเรานี่คือดินน้ําไฟลมเนี่ยลมมันก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราขาดไม่ได้เราคือมนุษย์ทุกคนไม่ได้สิ่งมีชีวิตก็าตามตรงย้ำว่าสิ่งมีชีวิตขาดลมไม่ได้ถึงแม้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่มีวิญญาณ แต่ก็ขาดลมไม่ได้นะแต่เขาเรียกว่าอากาศก็ไม่เรียกลมเช่นต้นไม้เขาก็ขาดอากาศไม่ได้ดินน้ําไฟลมเหมือนกันก็ขาขาดไม่ได้ต้นไม้ตัวหนึ่งถ้าขาดดินขาดน้ําขาดไฟขาดลมก็มอยู่ไม่ได้อันนี้คือความสําคัญว่าทําไมชีวิตเราถึงมันเข้าใจยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าหนึ่งเราเร า, เราไม่ดูธรรมชาติตั้งแต่แรกเริ่มเติมตาขึ้นมา ลืมตาเมื่อเมื่ อ, อไหร่ก็ถือว่าโชคดีเมื่อ น, นั้นถ้าหลับตาเมื่อไหร่ก็โชคร้ายเพราะทำอะไรไม่ได้ลืมตาคือกลางวันนี่แหละหลับตาคือกลางคืนตอนนี้ถ้าเราเลือกเราเลือกในขณะที่มันลืมตาได้เนี่ยเราเลือกว่าลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ในขณะที่ลืมตาดูเราไม่เราเราเราไม่เคยหลับตาคือกลางวันนั่นเองน้อยที่จะหลับตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจึงเป็นธรรมะในจิตปัญญาของพวกเราอาจะ เ, เรียก ว, ว่าภาวนาหลายคนหลายคำถามคำถาม ท, ทั่วไปที่ เจอบ่อยๆก็คือมันถามหลวงพ่อว่าภาวนาเนี่ยลืมตาได้ไหมไม่อยากหลับตาภาวนานแบบลืมตาได้ไหมมีไห ม, มพวกเราลองตอบในใจสมมติว่านี่เป็นคำถามสมมติว่านี่เป็นมีคนถามเรา ถามว่าลืมตาภาวนาไดไหมัล้ยเราคิดว่าจะตอบเขาไว้ไงได้ไหมอื ม, อมคำตอบบอกโหนบอกว่าได้ว่าได้แล้วหลับตาทำไมอะ่ะทำไมต้องหลับตาพ้าหลับตามันจะไปเห็นอะไรนะ อนี่ก็เป็นคำถามเป็นคำถามที่มันคนที่ถามไปหาคำตอบไม่ได้บกขนาดลืมตามันเห็นอยู่มันยังมันยังไม่รู้เรื่องเลยหลับตามันจะไปเห็นอะไรหนังๆเข้าไปนน่นเลยอันนี้เอาเรียกว่าพเพลิดโมห ะ, พะเพลิอวิชชาเราต้องเขาตั้งต่ว่าตั้งสติดีๆแลดู๋ยาเขาถามว่า ภาวนาแบบลืมตาได้ไหมเรต้องถามว่าภาวนาคืออะไรเป็ น, นี้มันไม่ใช่อยู่ที่คำตอบแต่เราพอาได้ยินปุ๊บเรามุงปที่คำตอบเลยเราไม่รู้ว่าโจทย์คืออะไรคำถามคืออะไ ร, รต้องมาถามว่าภาวนาคืออะไรก็เราคิดแบบเข้าใจจำเราภาวนาเราก็ เราเข้าใจแล้วประมวลผลสรุปออกมาว่าภาวนาคือการทำสมาธิน่าจะตั้งคำถามว่านั่งสมาธิลืมตาได้ไหมน่าจะตั้งคำถามใหม่ไม่ใช่ว่าภาวนาลืมตาได้ไหมต้องถามว่านั่งสมาธิเนี่ยลืมตาได้ไหมมันคนละอย่างกันนะคนละเรื่องกันเลยนะคำถามน่าจะเป็นอย่างนี้ หมายว่านั่งสมาธิลืมตาได้ไหมก็ต้องถามว่าสมาธิกับภาวนาเนี่ยเราไปปนกันแต่ที่สำคัญคืออย่างก็ไม่เข้าใจอะสมาธิคืออะไรภาวนาคืออะไรก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นตระกูลเดียวกันก็ต้องแยกออกว่าสมาธิ ย้ำเขาว่าสมาธิมันเกี่ยวกับอะไรภาวนาเกี่ยวกับอะไรเพราะสมาธิสมาธิมันเกี่ยวกับเรื่องใจเกี่ยวกับเรื่องจิตส่วนภาวนามันเป็นภาพรวมภาวนาเป็นเรื่องของปัญญาภาวนาเป็นเรื่องของปัญญา เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือหลับตากับลืมตาเนี่ยเกิดปัญญาไหมในขณะที่เราลืมตาในขณะที่เราหลับตาเนี่ยมันเกิดปัญญาไหมนั่นแหละคือคําตอบมันเป็นคําตอบถ้าลืมตาอยู่แท้ๆเห็นอยู่แท้ๆแต่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่ได้ชื่อว่าภาวนา ไม่ได้ชื่อว่าภาวนาในขณะเดียวกันหลับตาแล้วมาเกิดเป็นอย่างคือคิดได้ดยวยตัวเองนั่นก็คือภาวนาในความหมายเมื่คนละเรื่องเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมุ่งถึงความแน่วแน่ของจิตมันไม่เกี่ยวกันทําไมถึงบอกหลับตาเพราะว่าเพื่อไม่ให้รบกวนเพื่อปิดปิดหูปิดตาเพราะเป้าหมายคื อ, คอเอกากตารม์ คืออารมณ์อันเดียวที่ปัจจุบันเราฟุงา้งซ่านต้อ ง, อ ง, งนะอมมยอมรับตัวเองว่าฟุ้งซ่านนะแต่คนเราไม่ค่อยยอมรับตัวเองถ้าเราไม่ฟุงนะ้งซ่านลองดูสักห้าทีก็ได้หลับหัวหลับตาอยู่คำบริกรร้องอยู่เฉยๆต้องอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้สักห้าทีสิบนาทีดูเฉพาะความฟุง้งซ่านเกิดจะอะไร ก็คืออารมณ์คือสังขารคือความปรุงแต่งนั่นแหละมันไม่เคยหยุดนิ่งวันการทำสมาธิเบื้องต้นต้องการให้จิตเราเป็นอย่างนี้เี่จะเข้าใจสภาวะเหมือนตอนนี้ถ้าตากคนต่างพวกอันเนี้คือความปรุงส้างความปรุงความแต่งตอนนี้เราเงียบเราสงบไลมนี่ก็เหมือนกับจิตอันนี้มีอารมณ์ันเดียวคือมุ่งปฏิเสธ ผู้ตีความฟังเี่ยเราก็คิดเราก็คิดได้คิดได้ตามที่คำพูดตามประโยค น, น์นั้นๆวัวนั้นสมาธิกับภาวนามต่างกันอย่างนี้ใจตรงกันมาคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นภาวนาจึงทำได้ทุกขณะทำได้ทุกเรื่องลืมตามก็ทำได้หลับตาก็ทำได้คือภาวนาเพราะมุ่งให้เกิดปัญญาแต่ว่าลืมตาแล้วเห็นแต่ไม่เกิดปัญญาก็ไม่ใช่าภาวนา เพราะภาวนาแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นทําให้เกิดขึ้นทําให้ดีขึ้นกว่าเก่าทําให้รู้เห็นตามความเป็นจริงย้ำว่าตามความเป็นจริงไม่ใช่คิดเอาเองตามความเป็นจริงหมายว่าเขามียังไงเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นเช่นเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นไหมครับว่าเกิดมันเป็นยังไงเห็นหมายกับว่าเห็นคุณเห็นโทษไหม นั่นคือคาบะภาวนาะเขาแค่แค่เห็นคุณเห็นโทษสองเรื่องเลยการเกิดมันมีคุณอย่างไรการเกิดมันมีโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยทีนี้เขาแค่นี้เป็นโจทย์แค่สองคำนี้เกิดมีประโยชน์อย่างไรมีโทษอย่างไรเราก็มาดองดูดูจากที่ไหน ดูตัวเองเพราะนั่นคือแหล่งศึกษาเดวเิคัดดูตัวเองดูยังไงดูตั้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงเวลานี้มันเป็นยังไงมันมันมีคุณคือได้ประโยชน์อะไรมันมีโทษคือไม่ได้อะไรอะไรบ้างในชีวิตของพวกเราที่พรามันเป็นคุนก็มีคำเดียวนะั่นแหละ ที่เป็นตัวชี้วัดเราก็คือเราจะรู้จักคําว่าคุณและโทษได้ก็คือตัวชี้วัดของการเกิดของเรานี่ยก็คือกามาคุณการมคุณนี่แหละเป็นตัววัดกามาคุณคืออะไรเราก็ไปอธิบายยาวเจ็ดสิบโลนี้โลกน้าโลกนู้นก า, ามาคุณมันเกี่ยวข้องกับอะไรเอาอย่างนี้นิงก่อน เกี่ยวกับรูปเสียงกินรลือดปฎิภาษอามรมณสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนในตัวเราเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจและเกี่ยวกับร่างกายของเรามากน้อยขนาดไหนใ น, นแต่ละวันใ น, นแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเอาแค่พิจารณาถึงคุณโทษ สิ่งใดมีคุณสิ่งนั้นมีโทษสิ่งใดมีโทษสิ่งนั้นมีคุณทำไมมันก็กลับกันถ้ามันเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นของเรานี่ยตัวเราคือมนุษย์หรือร่างกายของเรามันมีทั้งคุณและโทษเราใช้มันไปเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ใช่ที่ตัวเราแต่ถ้าเรานึกเลยไม่ออกเลย คือไม่รู้จักโทษไม่รู้จักคุณไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเนี่ยไม่รู้จกักกุศลอกุศลอะไรใดเลยนี่อันนี้แหละเรียกว่าอวิชชาขนาดแท้คือความไม่รู้กับ อ, อวิชชาเราคงจะไม่ได้รู้จะการเกิดเอาแค่มันเกิดอย่างเดียวนะเห็นไหมทุกอย่างเอาแค่เนะียเกิดคื อ, คอกอไกเห็นไหม แต่ว่เราจะพิจารณาแค่เรื่องกไก่แค่บอกว่าโอ้ยไก่ไก่เราถืว่าไก่ไก่แล้วมันง่ายเราลองถามเขาว่าไก่มันง่ายจริงไหมลองถามด้วยไก่กับไข่ไหนเกิดก่อนกันโลกแตกอะไรทีนี้ตอนนี้คือยังตอบไม่ได้ให้บอกว่าไก่ไก่ไม่หาโลกแตกตอนนั้นกอไก่กไก่คืออะไรกอกินก่เกิดก่แก่เอาแค่ เอาสามกรณี้ก่อนแค่ในก็ปุกหัวแล้วหาคําตอบไม่ได้เลชีวิ ต, แ, ตแลพิจารณาอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นเรียกว่าปัญญาล่ะกระทว่าสิ่งเหานี่ต้องหลับตาไหมต้องลืมตามันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกับตาเลยตาเป็นตัวแสดงออกเฉยๆเป็นจอภาพเป็นจอทีวีเพื่อรับพอเปิดมามันก็มีภาพถ้าปิดมาก็ไม่มีภาพเหมือนหลับตาลืมตานั่นแหละ ลืมตาขึ้นมาเหมือนเขาบอกเราเปิดจอภาพทีวีโทรทัศน์แล้วก็เห็นเห็นอะไรเห็นที่มันแสดงออกก็ลืมตาขึ้นมามันก็แสดงออกธรรมชาติรอบตัวรอบข้างเขาแสดงเหมือนแสดงละครนั่เราดูแต่เราจะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่มันเขาแสดงนั่นเป็นละครแต่ถ้าเป็นทีวีเรารู้ว่าเรากำลังแสดงอะไรอะไจะเป็นภาพข่าวละครภาพยนตร์ เราก็จะแยกออกตามสัญญาคือความจำแต่ชีวิตจริงที่มันแสดงรับตัวเราข้างเรามองไม่เห็นนะมันแสดงละครมันไม่ใช่ความจริงเราเปิดเมื่อไหร่ปิดก็คือจิตสงบเมื่อไหร่เราถึงจะเห็นความจริงเพราะนการทานสมาธิต้องการให้จิตเราสงบคือต้องการให้จิตเราสงคือปิดพวนี้ก่อนแล้วเราจะเห็นความจริงที่มันแสดง จากนั้นไปก็เห็นสักแต่ว่าเห็น น, ะนั่นคือปัญญานั่นแหละคือการภาวนาการภาวนาแปลว่าอะไรการภาวนาก็แปลว่าจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นั่นคือคนนักภาวนาที่ดีก็คือทีวีเนี่ยถ้าเราไม่อยากดูแล้วเราก็ปิดปิดยังไงก็โอปนายิกู school, น, อกน้อมขณะกำหนดลมหายใจ ต้องใช้ควากําหนดลงหายใจเข้าออกขณะจิตอยู่กับจิตตัวเองจิกัอารมณตัวเองอยู่กับสมาธินะครับจิตให้เป็นสมาธิในวันจะเป็นชั่วคราวก็ตามหรือเพื่อกลุ่น ก, ก่เกิดปัญญาก็ตามอุปจาระหรือว่าพักไปเลยล อ, อั ป, ปนาเหมือนคนนอนหลับชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยแหละคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิซึ่งใช้เยอะใช้ใปล่อยได้เกิดปัญญา แล้วก็อัปปนาเหมือนคนิกะก็ชั่วครั้งชั่วคราวเดียวๆอุปจาระอันนี้ก็เยอะหน่อยใจเยอะอปปนาเนี่ยก็เหมือนคนนอนหลับแต่ว่าคนอนหลับมันยังมีนิิดก็มีภาพอยู่แต่อปปนาของสมาธิมันไม่มีอะไรเลยมันดับไปเลยค็อมันดับข้างนอกนอกมันดับ มันไม่รับรู้อะไรข้างนอกเลยจิตมันพักจริงจิตมันจึงมีกําลังจิตมันจึ ง, จ ง, จงไม่เหนื่อยถ้าภาวนาเป็นมันไม่เหนื่อยทําไมเราพระกว่กอาจารย์ดูได้สองสามชั่วโมงก็เพราะว่าท่านนั่งเาท่านพิจารณาไม่ได้เอาคอสงบอย่างเดียวเราก็ไปมุ่งที่คอสงบอย่างเดียวถ้ามันไม่สงบเมื่ อ, อไรก็ฟุนะ้งซ่านซึ่งไม่ใช่เพราะเราไม่ภาวนาเราไปมุ่งที่สมาธิ เรามาในมวงที่ภาวนาต้องแยกกันอย่างนี้แต่มุ่งไปที่สมาธิคือใจสงบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทางมุ่งที่ปัญญามันง่ายกว่ากันเพราะนั้นสมาธิภาวนาบรรเทาของกันสมาธิจะเกิดได้ต้องสติอันดับแรกเลยสติสมาธิปัญญานี่คือขั้นตอน สติต้องมาก่อนเมื่อปัญญัเสร็จแล้วมันกลับมาอารมสติเองแหละเพือให้มีสติเพิ่มมากขึ้นสติทําสมาธิอันมากขึ้นเป็นวงจรกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ภาวนากระพิจารณาอย่างเดียวจนหมดพลังคือไม่มีกําลังมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ต้องพักคือสมาธิคือให้มีสติมันซื้ออนออกมาให้มีสติคือรู้ตัวก่อน น, นการทํา การทำสมาธิคือต้องการให้เรารู้ตัวไม่ใช่ให้มันดับเพราะมันดับมันไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นอัปนาสมาธิจึงเป็นสมาธิไม่เกิดปัญญาไรืใช้เพิจาณอะไรไม่ได้แต่มันมีกําลังนี่คือความแตกต่างเพราะนั้นสามคำนี้อยากให้พวกเรานําออกไปใช้ก็คือสติเรมิมต้นจากสติสติที่อยู่กับสติก็คือยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ ยุติกายเวทนาเจตธรรมอันนี้คือฐานของมันเรียกสติปฐานฐานก็คือทีตท่ตั้งที่ตั้งเขาอย่างนี้ไม่มีเรื่องอื่นเลยแค่นี้ยีนเดินนัง่งนอนกายเวทนาเจตธรรมอันนี้คือมันจะเกิดสติและปัญญาเอามาพิจารณาพิจารณาอะไรรูปนามขันหะให้รู้ตามความเป็นจริงต้องนน้นว่าควเป็นจริงนั่นแหละถึงเรียกว่ า, ว า, ป, าปัญญา การภาวนามันจบลงตรงปัญญาถ้าใครภาวนาเป็นนั่นคือการภาวนานะแต่ถ้าบอกจะนั่งสมาธิจให้เกิดสติอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้แค่พักแต่มันไม่เกิดปัญญาอันอันนี้คือสาระธรรมสาหรับฝ่าผู้เราในวันศีลวันพระเช้าวันนี้ก็ให้พวกเราเอาแนวเนี่ยเป็นแนวนึกแนวคิดนำไปสูก่การปฏิบัติในการควบคุมดูแลตัวเองให้เกิดสติสมาธิ แล้วปัญญาให้ครบทต้องสามอย่างนี่ท่านนั่งแล้วได้แต่เมื่อแข้งมือขามันก็ได้แค่นั้นแต่เห็นเวทนาแต่ไม่เกิดสติมันไม่เกิดปัญญาการภาวนาวต้องครบทั้งสามอย่างคือสติสมาธิปัญญาทํางานพร้อมกันเมื่อไหร่มันจะเป็นกําลังนีพลังในการรู้แจ้งแทงตลอดธาสี่ขันห้ารูปนามอันนี้ถ้าใครทำได้อย่างนี้ผูนั้นชื่อว่าเป็นนักภาวนาอย่าเป็นแค่นัก สมาธิค้อนมุธนาในกุศลเจตนาของเราทั้งหลายที่นอมนําพระธารมมาคดีตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมจำสิ่งภาวนาก็ดีชั่วคราวก็ดีถือว่าตอนนี้เป็นกุศลก็คือฉลาดเมื่อจิตเป็นกุศลอย่างนี้แล้วแปลว่านี้คือการเริร่มต้นเริต้ น, ต น, ตนทุกวันทุกวันทุกขณะเหมือนพระทิศกําลังขึ้น อ, อน่ อ, อนอ่ะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลองดับอย่างนี้ไปเรื่อยเหมือนชีวิตของพวกเรา ก็ควรรุทนาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหลายอย่าหยุดเดินคือปฏิปทาหรืออย่าหยุดเดินคือดําเนินหรือปฏิปทาเดินต่อเดินไปเรื่อยๆช้าเร็วไม่เป็นไรถ้าเราเดินเจะช้าเร็วยังไงยังน้อยสุดมันก็ถึงเป้าหมายแต่หยุดยืนหยุดเดินได้แต่มอง คิดว่จะถึงเป้าหมายไหมในไหนเพื่อนก็เดินไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วเรายัองยืนมองเป้าหมายอยู่ไม่ขยับไปไหนเลยเราก็ไม่ถึงเป้าหมายได้ง่ายๆฉะนั้นก็ขอธโมยขนาในกุศลเจตนาโปรทั้งหลายแต่วันนี้สุดท้ายปลายทางก็คือที่เราเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบใบพระพุทธโธธรรมสังโฆพุทธังธรรมังสังขังสุดท้ายนีบอกว่าแพ้แม่ตาเห็นไหม สุดท้ายที่เราทำกั น, นคือแผ่เมตตาแผ่เมตตาตัวเองแผ่เมตตาก่อสัสมาหลายเราจะกลายไปคนคนมีเมตตาโดยไม่ต้องไปขอเมตตาจากใครเลยก็ขอโมตนาในกุศลจิตนาพิรเราทุกคนที่มาเจ้าวันนี้